คือที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยจักขูวิญญาณเป็นต้นไม่ให้ยึดถือสิ่งทั้งหมดนั้นว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อ so พระสารีบุตรกับพระมหาจุนทะกลับไปแล้วพระชันนะก็ฆ่าตัวตายพระสารีบุตรไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบโดยใจความว่า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 พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่45ปุณโนวาทสูตรสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณณะพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามพระปุณณะเข้าไปเฝ้ากราบทูลขอให้ประธานโอวาทจึงทรงแสดงธรรมสอนให้ไม่เพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะ